สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ Innovation for Life ค่ะนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะพบกับดิฉันคุณก น, นิษฐาเงาเช่นเคยทุกๆสัปดาห์ค่ะมาพบกันดึกหน่อยค่ ะ, ะในเวลาแบบนี้หลายท่านอาจจะนอนหลับพักผ่อนแล้วในค่ำคืนวันเสาร์นะคะสำหรับใครที่ไม่ใช่สาวกคนนอนดึกก็สามารถรับฟังรายการต่างๆย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุราชมงคลธัญบุรีแปดสเมนะคะ สำหรับ innovation for life ในทุทกๆสัปดาห์ก็เช่นเคยก็จะนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือ innovation มาฝากกันวันนี้เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านกรรมศาสตร์กันบ้างค่ะซึ่งผู้ที่จะ มาร่วมพูดคุยกันคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลอลักษณ์เสถียรรัตน์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีการกามศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์โดนัทไข่ขาวสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานวิจัยนอกจากทางด้านค่ะกามศาสตร์แล้วยังมีส่วนเชื่อมเน ในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยซึ่งผลงานนี้ค่ะได้ดรับรางวัลชมเชยนะคะประเภทนวัตกรรมจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่7นะคะนั่นก็คือชื่อว่าปรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพหรือ The s e v e n Academic Science and Technology Conference 2019นกะคะก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์โดนัทไข่ขาวสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนี้เราจะพูดคุยกันในช่วงหน้ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลอร์ ล, ลักษ์เสถียรรัฐกันค่ะเยนศิระพระบา ร, รมีที่ปกเกตทุกคามเขตปราทุก์จึงสุขสมัยทศพิษ ร, ราชธรรมนำจอมไทยพระเกียรติไกลดุดล้นกล้าวเจ้าชีวันด้วยดวงจิตบูชามหาราชข้าพระบาท จงรักสมัครมั่นน้อมถวายพระพรชัยองค์ราชนทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ น, นิรันการด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรายการอินโน a วชั n นฟอร์ไลฟ์ สวัสดีค่ะอาจารย์คะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เลอรักค่ะค่ ะ, คะก็ขอแนะนําให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลอรักสัทเดชรัตน์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสต ร, ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนธนัญบรุรีวันนี้เรื่องราว Innovation ที่เราจะคุยกันนอกจากจะเป็น Innovation เกี่ยวกับด้านอาหารแล้วยังเป็นอ n นโนเวชันหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะคะอาจารย์อยากจะเรียนถามถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับ แนวคิดหรือว่าไอเดียของอาจารย์ในการคิดคน้นวิจัยผลิตภัณฑ์โดนัทไข่ข า, ขาวสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรือ้อรังระยะสุดท้ายนี้ขึ้นมาค่ะคืออาจารย์อยากจะบอกนะคะว่าผลงานนี้ค่ะเป็นผลงานของนักศึกษานะคะที่ได้คิดขึ้นนะคะหรือว่าทำขึ้นในระหว่างที่นักศึกษาได้ไปได้ได้ทำโครงการเขาเรียกว่าจาริศึกษาค่ะค่ ะ, คะ ตอนที่นักศึกษาไปไปสึกนะคะที่สถานประกอบการซึ่งสถานประกอบการที่นักศึกษาสึกก็คือโรงพยาบาลอพบัตราชธานีนะคะแล้วนักศึกษาก็ได้โจทย์ขึ้นมานะคะว่าเ อ, อ่อต้องการที่จะผลิตอาหารว่างนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะซึ่งอาหารที่ว่าเนี่ยต้องเป็นอาหารว่างที่ใช้ไข่ขาวเนื่องจากว่าไข่ขาวเนี่ย เป็นอาหารโปรตีนที่ที่ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็หาง่ายที่สุดค่ะแล้วก็ผู้ป่วยนะคะที่เป็นผู้ป่วยโรคไตระยะหลังระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะปัญหาของเขาก็คือเขาต้องกินไข่นะคะซึ่งเป็นไข่ขาวไข่แดงนี่เขาจะแยกออกไปนะคะไม่ให้ผู้ป่วยทานเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลสูงก็จะให้ไข่ขาวเนี่ยค่ะให้ผู้ป่วยกินวันนึงก็เยอะๆค่ะแล้วก็ แต่และมือก็จะให้มาเยอะๆผู้ป่วยทานทุกมือทุกมือผู้ป่วยก็จะเบืออ่อค่ะแล้วก็เบียนจนผู้ป่วยเนี่ยทํานไม่ลงเวลาเขาใส่ถาดมาให้ผู้ป่วยผู้ป่วยทํานไม่หมดก็จะถูกส่งกลับซึ่ ง, งลักษณะที่เป็นแบบนี้บ่อยๆเข้าอ่ะค่ะพอผู้ป่วยทําทานได้น้อยนะคะหรือว่าผู้ป่วยทําไนได้อะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นปัญหาทําให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะมี ระดับโปรตีนในเลือดนะคะที่เขาเรียกว่าแอบูมินเนะะ่ยค่ะมันลดลงหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพผู้ป่วยต่อไปก็คือพอระดับโปรตีนในเลือดมันลดต่ำมันก็จะมีผลต่อภูมิต้านทานโรคของผู้ป่วยแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาก็คือภาวะการติดเชื้อง่ายก็คือท้องเสียง่ายเป็นหวัดได้ง่ายอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าโปรตีนน่ยจะมีผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายอ่ะคะ่ะ ออืพอลักษณะแบบนี้เกิดช่วงบ่อยๆพวกนักกําหนดอาหารนะคะหรือว่าหมอที่วางแผนในการรักษาก็ก็จะเริ่มมีปัญหาละว่าทํายังไงถึงจะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อาหารโปรตีนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยไม่เกิดปัญหาตามมาแล้วก็สามารถที่จะมีระดับของอัลบูมินในเลือดเนี่ยสูงขึ้น mm hmm. ค่ะก็ลเลยก็เลยต้องเป็นโจทย์ให้นักศึกษาคิด อาหารว่างขึ lighting, <pl ains> ้นมาซึ่งทําให้ทําให้ระดับอัลบูมินในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยใช้ไข่ขาวนะคะเป็นวัตถุดิบหลักค่ะค่ะก็ก็เลยเป็นโดนัทขึ้นมาใช่ไหมคะจริงๆแล้วอวัตถุดิบหลักในการทําพวกของว่างเนี่ยจริงๆชนิดอื่นๆก็มีทําไมเลือกเป็นโดนัทอะคะโดนัทนี่เป็นอาหารที่คนนิยมรับประทาน วยมยรุนก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบแล้วก็โดนัทเนี่ยเป็นอาหารว่างที่แบบทุกคนรู้จักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กบางทีผู้ใหญ่ตอนนี้ก็อาจจะรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแล้วก็อีก <c oughs> อย่างหนึ่งก็คือส่วนผสมมันไม่มากอะค่ะ <c oughs> ใช้วัตถุดิกไม่มากใช้อุปกรณ์น้อยแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในระดับบัวเรียน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องทําโดนัทที่หยอดได้ มีละสี่ลูกหกลูกแปดลูกอะไรก็เนี้ยค่ะ uh huh. ก็ทำให้ทาให้แบบง่ายต่อต่อผู้ป่วยแล้วก็ต่อคนทั่ทวไปอะค่ะในการในการทำอาหารว่างชนดิดนี uh ้ huh. ค่ะค่ะงั้นขออนุ ญ, ญาตให้อาจารย์ได้เล่าถึงสูตรได้ไหมคะว่าโดนัทไข่ขาวที่สำหรับผู้ป่วยโรคไตกับโดนัทไข่ขาวทั่วไปมันมันมีความแตกต่างยังไงอะคะ โดนัทที่นักศึกษาเป็นคูที่เริ่มคิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นโจทย์ในในการปรุงงามนะคะก็คือวิธีการที่เขาศึกษานี่ก็คือเริ่มแรกเขาก็จะหาสูตรมาตรฐานก่อนเสร็จ แ, แล้วก็เอามาทดสอบทางประจักษ์สัมผัสว่ารสชาติมันเป็นที่ยอมรับไหมสําหรับสูตรมาตรฐานนะคะเสร็จ แ, แล้วก็เอาสูตรที่เขาปรับอะคะ่ะมาทดสอบอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ทดสอบการยอมรับ ในคนทั่วไปหลังจากนั้นก็เอามานำนำมาทดสอบทางห้องแล็บนะคะก็คือวัดคุณค่าดองปูชนากาโดยโดยวิธีการของเขานะคะก็คือตามหลักการนี้ก็คือผู้ป่วยเนี่ยตัวนับเนี่ยนะคะใช้ไข่ขาเป็นวัตถุดิกหลักแล้วก็ไม่ใส่ผงฟูนะคะเพราะว่าผงฟูเนี่ยชื่อที่อเจนีก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งไอตัวโซเดียมเนี่ยคะ่ะมันจะทาให ระดับโซเดียมในในเลือดเนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันทําให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช้เนยนะคะเพราะส่วนใหญ่เลยก็จะมีพวกโซเดียมเนยบางชมิดนี่ก็ใส่เกลือลงไปนะคะเป็นเนยเค็มนะคะแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือต้องไม่ใส่ผลไม้แห้งนะคะเพราะว่าผลไม้แห้งหจะมีทั้งโพแทสเซียมแล้วก็โซเดี ย, ดยนมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ไขมันอะไรเลยนะคะ โดนัทมันก็จะแข็งอ ะ, ค, ะค่ะมันก็จะไม่เๆ่งก็เลยต้องใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเข้าไปทดแทนค่ะหลักๆ ก, ก็คื อ, อต้องหลีกเลี่ยงพวกโซเดียมใช่ไหมคะโ<ช>พแ<ว>ทสเซียมโซเดียมเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็อย่างว่าจะทานเค็มมากไม่ได้อยู่แล้วการขับถ่ายพวกเรือแร่พวกนี้มันจะประสิทธิภาพเดียกัน ขับถ่ายมันจะน้อยกว่าคนปกตินะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโดนัทสูตรธรรมดาที่ขายในท้องตลาดนี้ผู้ป่วยจะทําไม่ได้เลยนะคะ uh huh. เพราะที่อย่างที่ทราบอะค่ะก็คือโดนัทที่เป็นเป็นสูตรที่ใช้นิดอะไรพวกนี้นะคะ uh huh. เขาก็จะใช้ขุ uh ่ huh. มฟูด้ดวย uh huh. ทั้งขุนฟูแล้วก็ทั้งเนยนะคะแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือนมนมที่เราใช้มันก็จะเป็นนมที่ อขาดมันเลยอะค่ะก็คือนมที่แบบไม่มีไขมันค่ะค่ะดูดูรวมๆแล้วก็คล้ายๆกันอยากให้อาจารย์ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนผสมที่ที่เราไม่ใช้เลยในโดนัทในสูตรของผู้ป่วยโรคไตนี่อะไรนะคะอาจารย์อยากให้ย้าอีกทีหนึ่งค่ะไม่ใช้เลยนะคะก็คือผงฟูค่ะไม่ใช้เลยนะคะแล้วก็เนยแล้วก็นมก็ใช้นมนที่ไม่มีมันเนยแล้วก็ผลไม้แห้ง ไม่ได้เลยค่ะออค่ะเพราะว่าก้นนี้จะทําให้ไตเนี่ยมันทํางานหนักขึ้นในการขับถ่ายของเสียออืค่ะดังนั้นส่วนผสมก็เหมือนกับโดนัททั่วๆไปที่ทําจําหน่ายในท้องตลาดถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วค่ะค่ะโดนัททั่วๆไปนะคะที่เขาขายที่สูตรดังๆที่บ้านเราอะค่ะส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทอดใช่ค่ะวิธีการทอดอะค่ะมันจะทําให้น้ํามันเพิ่มขึ้น ได้ได้รับแคลอรี่เพิ่มขึ้นจากไขมันที่ใช้ทอดโดรนัทที่เราใช้นี่เป็นโดนัทที่หยอดลงไปในเครื่องอะคะ่ะแล้วก็อบให้สุกนะคะมันก็จะไม่ใช้ไขมันหรือถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้วิธีการอบเราก็อาจจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้ค่ะแต่นึ่งมันก็จะมันก็จะมีน้ําเพิ่มขึ้นอะค่ะก็จะเสียละเสียง่ายขึ้นนะคะ ม, มันอาจจะยุยยๆอาจจะเหมือนเหมือนรสชาติไม่ใช่โดนัทที่เคยทา น, ทานด้วยขนมช่วยฟงช่วยฟอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะมันก็อาจจะ ไม่ค่อยถูกปากคนไทยก็จะนันวิธีที่เหมาะที่สุดนะคะตอนนี้แล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็เครื่องมือก็หาได้ง่ายนะคะก็คือไอ้เครื่องทำโดนัทจะค่ะจะหาได้ง่ายแล้วก็ราคาก็ถูกอาจารย์ก็พยายามทุบเช็ประคายอยู่เท่าไหร่แล้ ก็อยู่ที่ประมาณห้0ร้อยถึงพันี่แหละให้เราเลือกค่ะเพราะเท่าที่ฟังก็คือว่ากําลังจะถามอาจารย์อยู่ว่าโอ้ยโดนัทนี่ให้ผู้ป่วยทานแต่ว่ามันทอดนะแต่เมื่อกี้อาจารย์ตอบโจทย์เลยว่าไม่ไม่ได้ทอดะน ะ, ะอบเพราะนอกจากเท่าที่ฟังอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยโอเคแหละได้รับประทานผู้ป่วยเนี่ยได้รับประทานอาหารที่แบบว่าอบไม่ใช่ไม่ใช่อาหารนะของว่างที่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยังไงมันก็ต้องมีของว่างของขบเคี้ยวนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่านอกจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไตรับประทานแล้วเนี่ยบุคคลทั่วไปก็สามารถรับประทานได้ด้วยเรายังยังไม่ป่วยก็จริงใช่ไหมคะไว้ป้องกันไว้ก่อนอในเรื่องของการเลือกอาหารในการรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารและของว่างก็ถือว่านอกจากจะได้ประโยชน์ทั้งของผู้ป่วยแล้วเนี่ยสูตรนี้ก็ยังสามารถทําจําหน่ายได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าจําหน่ายได้แล้วก็ คือเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เขาคิดสูตรโดนัทนี้ขึ้นมานะคะเขาต้องการที่จะส่งเสริมหรือว่าทําให้คนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะรับประทานนะคะเป็นของว่างเพราะว่าปกติถ <S, S 2> ้าเป็นในเมื้ออาหารนะคะถ้าเราให้ไข่ขาวเพิ่มเข้าไปในเมื้ออาหารเนี่ยคนไข้คนไข้โรคไตก็จะทานไม่ไหวอะค่ะแล้วก็จะเจ็บเบื่อแล้วก็ไม่อยากกินไข่ขาวที่มันเป็นแบบไข่แดงไข่ขาวต้มแล้วก็เอาไข่แดงออกพวเนี้ค่ะ คนไข้ก็จะเบื่อมากเพราะฉะนั้นทํำไงทํำไงให้แบบรูปแบบมันต่างออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือเป็นอาหารมื้อว่างนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะสามารถทานได้นะในปริมาณที่ที่มากขึ้นนะคะ uh huh. แล้วก็ส่งเสริมให้คนไข้เนะะี่ยค่ะได้ไ ด, ได้ได้โปรตีนเพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็นมื้อธรรมดานะคะในระหว่างมือ้อสามมื้อที่เป็นมื้อหลักเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นมือ้อ <Okay. S 2> มื้อว่างะ ค, ะ <Okay. S 2> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนตามแผนการรักษาของแพทย์ แรกที่รักษานะคะแล้วก็นักกําหนด อ, อาหารนะคะ่ะ uh huh. ถ้าสมมติว่าไม่สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนให้กับคนไข้ได้มันก็จะมีปัญหายอย่างอื่นตามมาก็รคืออัลบูมินในเลือดก็จะลดต่ําแล้วก็บูมต้านทานก็จะลดผู้ป่วยก็จะมีโรคแทรกตามมามากมายแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยลดลง ค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของการรับประทานเนี่ยค่ะได้ทดลองให้ผู้ป่วยลองรับประทานด้วยยังคะแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างรสชาติอะไรหลายๆอย่างความชอบอที่อาจารย์ที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ต้นน่นนะคะว่างานนี้นะคะเป็นโครงงานสาจิจซึ่งตอนที่ประกวดในมหาลัยอ่ะค่ะก็ได้รางวัลในระดับมหาลัยนะคะ ระดับมหาวิทยายลัยเรานะคะแล้วก็ได้ไปประกวดในระดับภาคอะค่ะเป็นตัวแทนของมหาลัยไปประกวดในระดับภาคแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ก็คิดว่า ง, งานนี้มีประโยชน์แล้วก็น่าจะเผยแพร่อาจารย์ก็เลยเอาไปนาเสนอนะคะในในงานประชุมวิชาการระดับชาตินะคะการประชุมทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนมิถุนา างานนี้ก็เลยเป็นงานที่ได้ได้ทดลองใช้จริงในผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาแล้วค่ะแล้วก็ผู้ป่วยก็เป็นที่ยอมรับแล้วแล้วก็สัดส่วนนะคะระหว่างไข่ขาวกับแป้งอะคะ่ะสัดส่วนที่ดีที่สุดนะคะที่ที่ผู้ป่วยยอมรับก็คือสี่สิบต่อยี่สิบอะค่ะซึ่งปริมาณไข่ขาวเนี่ยเยอะที่สุดอะค่ะที่เาราพยายามที่จะทดแทนเข้าไปในแป้งอะค่ะมันทําให้ผู้ป่วยก็ ยอมรับในสูตรนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในปริมาณในปริมาณไข่าขาวที่มากที่สุดด้วยะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมให้มีการรับประทานมันก็จะทําให้สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนได้แล้วก็ mm hmm. สูตรนี้ก็เป็นที่ยอมรับก็คือก็มีรสชาติดีก็คือมีความนุ่มมีความฉ่าแล้วก็ลักษณะทั่วๆไปก็เป็นลักษณะของโดนัทที่เขายอมรับกัน อค่ะอยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวัตถุประสงค์หลกักๆของการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์โดนัทไข่ขาวสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนี้รวมถึงความคาดหวังของอาจารย์และก็ทีมงานสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้ด้วยค่ะคือเบื้องต้นนะคะอาจารย์คิดว่าไข่ขาวเนี่ยค่ะมีประโยชน์สาหรับคนไข้แล้วก็วิธีที่จะ เพิ่มปรตีนนะคะคนไข้วิธีีที่ดีที่สุดนะคะก็คือไข่ขาวอย่างอื่นที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดนะคะก็คือไข่แดงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ใช้ในการทําขนมมาเยอะไข่ขาวก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นของที่เหลือทิ้งไข่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ขาวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไข่ขาวเนี่ยมาใช้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยสามารถที่จะยอมรับแล้วก็ทําให้มีการบริโภคมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับทุ่วน แีกอย่างนึ้งก็คืออาหารนี้นะคะนอกจากจะมีผลดีต่อผู้ป่วยแล้วก็ยังเป็นประโยชน์คือเป็นอาหารสุขภาพสำหรับคนทั่ ว, วไปก็คือคนที่ยังไม่ป่วยคนที่เวลารับประทานอาหารก็คำนึงถึงสุขภาพก็จะเป็นอาหารสุขภาพสำหรับคนทั่วๆไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีประโยชน์ในการคำนึงถึงสุขภาพก็คือรักษาตัวเองโดยวิธีการไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เพิ่มาการรับประทานโซเดียม ไม่เพิ่มปริมาณของคเลสเตอรอ ล, ลในอาหารนะคะอาจารย์ว่ามันก็เป็นประโยชน์และอย่างนึ่ก็คือมันเป็นางานวิจัยที่สามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็ให้รู้จักกันในวงกว้างอะคะ่ะแล้วก็ให้ให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถที่จะนําไปต่อ ย, ยอดหรือว่านําไปผลิตให้ให้ให้ใหเรียกว่า<ห><ท>มากขึ้นอะคะ่ะแล้วก็สามารถใช้ในในเชิงอุตสาหกรรมได้ะคะ่ะถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่ามีความต้องการในตลาดมากขึ้นนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าผลงานวิจัยของอาจารย์นวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการพัฒนาทางด้าน่า ก, ก ร, รมาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังส่งเสริมในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับผู้ป่วยด้วยและยังต่อ ย, ยอดไปในเชิงพณนชย์ได้ด้วยนะคะครบวงจรเลยทีเดียวผลงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้อาจารย์เรียกว่าเหมือนอ ได้พูดถึงทั้งทีมงานแล้วก็ผู้ที่เรียกว่าได้นําผลงานไปใช้อีกสักนิดนึงอะค่ะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เริ่มต้นจากงานสาธิตที่นักศึกษาเนี่ยได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการแล้วได้ใช้จริงในผู้ป่วยแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาจนจนจนสามารถจะแข่งขันในระดับ มหาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็ได้ได้เผยแพร่ไปในการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่ผ่านมาแล้วก็พอผลงานมันเผยแพร่ออกไปนะคะแล้วก็อยู่ในสามารถที่สืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เริ่มมีคนสนใจเยอะขึ้นนะคะ mm hmm. อาจารย์คิดว่างานวิจัยนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำในสเกลเล็กๆนะคะเริ่มเริ่มเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะแต่มันก็มีประโยชน์อดดนะคะ่ะ ถ้าสมมุติว่าผล ง, งานนี้ได้เผยแพร่ออกไปมันไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับตัวนักศึกษานะคะเป็นประโยชน์ในการสร้างชื่อเสียงให้สถาบานันหรือว่านักศึกษาแต่ว่ามันยังเป็นประโยชน์สําหรับผู้ป่วยนะคะซึ่งเขาประมาณกันว่ามีผู้ป่วยโรคไตประเภทเอค่ะอยู่ประมาณถึงแปดล้านคนนะคะแล้วก็ยังมีคนอีกจํานวนหนึ่งค่ะที่ที่ไม่ป่วยแต่ว่าคํานึงถึงการรักษาสุขภาพแล้วก็การรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้มีสุขภาพดี อาจารย์ว่างานนะคะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ก็สามารถให้ให้ประโยชน์กับกับกับคนในวงกว้างได้อาจารย์ก็คิดว่ามันก็มีประโยชน์ค่ะนอกจากนักศ<ม>ึกษาได้เรียนรู้อาจารย์ได้เรียนรู้แล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ ทัง <ละ S 2> ที่<ะ>ป่วยแล้วก็คนที่สุขภาพดีค่ะค่ะครบท้นชัดเจนนะคะสําหรับการพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจา ร, รย์ดรเลอรักสะเถียนรัฐก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังเราทั้งสองคนอยู่มีข้อสงสัยหรือมีคําถามหรือว่าอยากจะเห็นรูปร่างหน้าตาหรืออยากจะลองเอาไปทําเป็นทํารับประทานเองที่บ้านหรือทําจําหน่ายก็ดีนะคะจะสอบถามหรือติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรคะอาจารย์คะสามารถที่จะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ให้ไว้นะคะก็ได้หรือว่า ถ้าแบบอยากรู้วิธีการทำก็มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมาหาอาจารย์ก็ได้ค่ะอาจารย์สอนให้ทำได้ค่ะค่ะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากมากค่ะแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่มากวัตถุดิบก็ไม่มากรสชาติก็อร่อยอรสชาติดีเป็นที่ยอมรับค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วจ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากส น, สนใจจะติดต่อจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหรือว่าขั้นตอนการผลิตนะคะซึ่งเราไม่ได้พูดในรายการในรายละเอียด ลึกๆตรงนี้ก็สามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0875181141ค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลอรักสัทเถียนรัตน์โดยตรงวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลอรักสัทเถียนรัตน์นะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีการมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์โดนัทไข่ขาวสําหรับ ป่วยโรคไตหรือรังระยะสุดท้ายพร้อมกับการคว้ารางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติค่ะในงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่เก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยและในวันนี้ขอบคุณอีกครั้งพร้อมกับเราทั้งสองคนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life